แล้วก็นำไปใช้นำไปทานำไปประกอบเอาใส่คำพูดไปทำให้มันเกิดที่กายที่กิจใจของเราในหน่อยพวกเราก็อยู่ในมาอยู่ในภ้ากาสภาวะบวชภาวะบวชคือไปสู่ความดีอันหลังให้ความชั่ว แล้วก็มีวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติที่เราทำทำตามพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงทรงสอนเราก็เอามาประกอบให้มันเกิดขึ้นี่กายที่จิตใจสนับสนุนตัวเองการปฏิบัติธรรมคือการสนับสนุนตัวเราให้เกิด สิ่งดีสิ่งงามทั้งหลายให้เกิดธรรมให้เกิดกุศลเห็นเราเจริญสติเราทำวัดสวดมนต์ไหว้พระเรามีธรรมวินัยมีระเบียบเหมือนกับการสนับสนุนให้เกิดคุณภาพคุณธรรมกับชีวิตเพิ่มสติมีสติมีความอดทน การสนับสนุนให้เกิดคุณภาพชีวิตเนี่ยมีหลายอย่างที่เข้ามาประกอบมีสติมีความเพียรมีความอดทนมีความละอายมีเมตตากรุณามีมุทิตาอุเบกขามีศีลมีสมาธิมีปัญญาหลายอย่าง เอามาสนับสนุนส่งเสริมเคลียร์ตัวเองแม้ที่อยู่อาศัยการใช้ชีวิตประจำวันเพศของเราพ่ากาสวพัตเราใช้เพศของเราให้เป็นหลักเป็นแหล่งเป็นฐานอะไรที่เรามองตัวเรา ก็รู้จักว่าฐานะของเราอย่างไรยิ่งพวกเราได้ประกอบประลบความเพียรมีกรรมาฐานแล้ยิ่งสมบูรณ์อะไรที่เราได้เวลาที่เราฉันบิณฑบาตอุมบาท ด, ด้วยสู่กติเสนาสนะที่เราอยู่ วางบาทลงนั่งตั้งกายตรงเพืเนสติสุดหัวใจจากนั้นเราก็ใส่อริตบทเื่นเดินจงกรมที่อยู่ที่อยู่ของตนของตนต้องมีทางเดินจงกรมเพื่อเป็นสนับเป็นการสนับสนุนให้เกิดเมงานเมการ อะไรที่ไม่จำเป็นอย่าให้มีอย่านำไปใช้ในกติของตนวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆต่ใช้ก็ใช้อย่ามัวเมาอย่ามัวเมาใช่กายใช่ใจของเราเนี่ยให้มีสติส่วนอื่นที่ใช้ให้เกิดความหลงมดเว้นพูดการคุยกัน ความหลงมันเกิดขึ้นมาแย่ใดมุมใดเปลี่ยนพยายามที่จะลู่ช่องลูดทางที่มันเกิดความหลงมีสติสัมปชัญญะโดยเฉพาะเวลาที่เราปราบลบความเพียรเนี่ยช่องทางที่มันเกิดความหลงเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการปฏิบัติเนี่ยกายานุปัสสนาอ้ามันหลงที่กายเอาดูมันเวทานานุปัสสนามันหลงที่ความปวดความมึ่ย ดูมันมันจะหลงเป็นสุขเป็นทุกข์ตรงนี้จิตตานุปัสสนาความคิดเน่ามันหลงตรงนี้มันจะเป็นสุขเป็นทุกข์ตรงนี้ธรรมานุปัสสนาสิ่งที่มาครอบความชีวิตจิตใจของเราความงงเมาหอนนอนกังวงเลสงสัยความคิดพุ่งสาดามันหลงตรงนี้หรือเห็นรู้สึก ตรงไหนที่มันหลงเปลี่ยนให้มันรู้เรียกว่าปฏิบัติไม่ใช่มานั่งสร้างจังวะอยู่ไม่เคยเปลี่ยนสิ่งที่ผิดให้เป็นถูกสิ่งที่หลงให้เป็นรู้สิ่งที่ทุกข์ให้เป็นไม่ทุกข์แล้วก็ประโยชน์น้อยไปพร้อมๆกันเลยไปพร้อมๆกันไปเลยไม่ใช่เรื่องรอคอยเมื่อไหร่จึงจะรู้เมื่อไหร่จึงจะรู้ อะไรจึงจะเป็นเหมือนหลวงพอ่อเหมือนอาจารย์ท่านสอนท่านพูดเหมือนพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไม่ใช่รอนะปฏิบัติทำนะเป็นการเข้าถึงทุกเรื่องทุกราวมันหลงเข้าถึงความหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้อันละตัวปฏิบัติความรู้สึกตัวไม่ต้องรอยกมือขึ้นรู้ทันทีอะไรที่มันไม่ใช่ความรู้เอาความรู้ไปเกียวข้อง เหมือกับแหล่งแห่งความรู้ม่มากมีอยู่ทุกพื้นที่ในชีวิตของเราไม่ใช่อยู่ที่ส่วน ต, ตัวไม่ใช่อยู่ที่ไหนทั้งหมดอยู่กับการกระทําของเราแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆริงเราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้แหละโชว์มากที่สุดความรู้สึกตัวก็โลกตัวโชว์ให้เห็น มันตรงกันข้ามมันกับข้างหน้าเรามองไปข้างหน้าก็เห็นเห็นสิ่งของที่อยู่ข้างหน้าถ้าประสงค์จะดูแต่ข้างหลังไม่เห็นถ้าเป็นตาเนื้อแต่ความรู้สึกตัวมันเป็นตารอบรอบมาทางไหนรู้ได้มันเป็นหน้ารอบไีลืม ข, ขังสติง มันเป็นดน่ารอบไม่เผอความหลงที่ใดหรอตรงกันข้ามกับความรู้สึกตัวทันทีหัดให้เป็นนิสยัยหัดให้เคยคินอย่าให้ความหลงสร้างความหลงนี่คือหนักปฏิบัติอย่าให้ความทุกข์สร้างความทุกข์นี่คือหนักปฏิบัติอย่าให้ความโกรธสร้างความโกรธสร้างความรู้มาอะไรเปลี่ยนเป็นรู้ทั้งหมด ให้มันตรงกับหลักภาวนาเปลี่ยนล่เป็นดีเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นถูกทั้งหมดเกิดสัมมาทิฏฐิในไม่ใช่เรื่องรอคอยไม่ใช่เรื่องรอคอยการปฏิบัติการเปลี่ยนสิ่งผิดให้เป็นถูกเนี่ยแนยลมักแล้วนะจึงทำไมจึงเก็บเปลี่ยนได้เพราะเราเห็นเราดูอยู่ มีสติดูมีตาอยู่มองดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่เมื่ออะไรเกิดขึ้นก็นต้องเห็นต้องเปลี่ยนนั้นมรคคือดูผลคือมรคคือดูผลคือทําได้แล้วถูกต้องแล้วมันหลงรู้แล้วเรากเป็นมรคเป็นผลอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ใช่ตายแล้วไม่ใช่อะไรตรงไหนจะถึงมรคถึงผลขอให้ข้าพเจ้าได้ ถึงมรรคผลทีพ่พ่านอนาคตตการเบื้องหน้าโนู้นเทินไม่ใช่ไม่ใช่เบื้องหน้าปัจจุบันเบื้องหน้านี่นู้นอย่าไปนู้นนี่นี่เดี๋ยวนี่ให้เป็นมรรคเป็นผลเดี๋ยวนี้มันโกรธมันก็ต้องเป็นมรรคแล้วเปลี่ยนความโกรธเป็นความรู้สึกตัวเป็นผลแล้วมรรคผลต้องอยู่ใกล้ๆตามาร่อนใจเย็นใจน่ยเป็นมรรคเป็นผล เนปพานมีจริงๆก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เบืองน้าน่นให้เป็นเรื่องเดี๋ยวนี้ปัจจุบันการปฏิบัติธรรมที่เราทำอยู่เนี่ยมันทำให้เกิดการปัจจุบันเราทำไมจึงยกมือสร้างจังหวะเพราะให้มันเป็นปัจจุบันชีวิตของเราบังเคยไหลมันเคยไห ล, ม, ไหลมันไม่มีปัจจุบันมันมีแต่อดีต ม, มีแต่อนาคตสภาพของจิตใจเนี่ย ไปข้างหน้าคืนข้างหลังกายก็วิ่งไปกับเขาตาก็ไปกับเขาจิตก็ไปกับเขาหูก็ไปกับเขาเสียงที่เขาด่าเสียงที่เขาเน้นทาเสียงที่เขาฉัรเสือน า, นานมาแล้วยังวิ่งไปได้ยินวิ่งไปข้างหน้าเพราน้ำเหลวไม่มีอะไรเราก็เสียลาเวลามามากแล้ว กับการวิ่งไปข้างหลัง ก, กับกับการวิ่งไปข้างหน้าเราจำเป็นต้องมีปัจจุบันปัจจุบันที่สร้างได้นี่กรรมฐานจับกายมาผลิตความรู้สึกตัวแล้วทุกคนก็ไปกายนี่ยจับมามาใช้ให้เกิดความรู้สึกตัวมีจิตก็มันมาใช้บานที่มันจะทาเป็นเหตุให้หลงปัจจุบันก็มเช่นกาย เวทนาจิตธรรมมันหลงปัจจุบันมันหรือว่ามันดา่าทำให้เกิดความโลภสึกตัวไม่ได้เอามันเลยอมันตรงนี้หรือมันมีต น, อ, น, ตนอยู่ในกายหรือเรื่องของกายมันเรื่องใหญ่จนเกิดกิเลสตัณหาเกิดปัญหาหรือกายานุปัสสนายิ่ยงใหญ่ขนาดไหนพอรุเข้าจริงโอ้ยมันก็บอกว่ากายสวากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตวตนเหเขา หลุดไปเลยเรื่องของกายหลุดชำเนจชำนาญเป็นเรื่องหลุดพ้นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องกักเราให้หยุดให้อยู่ให้เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเรื่องของกายจึงเก่งเป็นปัญญานี่ทำไมเราจึงทำไม่ได้พระพุทธเจ้าก็บอกไว้ตรงๆทางโลง่ลงโล่ง ล่งที่สุดตรงไห น, นถ้าเราไม่มีสติตันแล้ว่ะนะันมืดอวิชาเป็นป่าเป็นดงไม่รู้ไม่รู้รกายกายก็เลยสร้างความป่าเถื่อนให้เกิดกับจิตกับใจกับผู้กับคนกับสิ่งอื่นติดเหล่าติดบุดรีติดอะไรต่างๆเกี่ยวกับกายปัญหาเยอะแยะเอากายออกหน้าออกตา เอาเป็นดาดไปเลยอะไรมากระทบกายเป็นเรื่องของเราทั้งหมดเลยไม่ใช่เป็นเรื่องของส ต, ติไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวใช่ตนเกิดอยู่บนกายจับกายมาใช้ให้เกิดปัญญาเนี่กายสวากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตวตนเราเขาปัญญาหลุดไปแล้วเวทนาที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์ เรื่องของกายก็ดีเรื่องของจิตก็กดีเขาเข้ากันรวมกบวนทําให้เกิดความหลงร่วมกันเหรอตรงไหนเขาวรวมกันเวทนาเนี่ยเป็นตัวเป็นตนอยู่ในเทวนากูสุขกูทุกข์โอ้ยกูปวดกูเหนื่อยกูร้อนกูหนาวกูหิวกูเกิดขึ้นกับอะไรต่างๆเห็นไหนี่ยรู้สึกตัวนี่ยรู้สึกตัวนะ มันโชว์ให้เราเห็นเป็นด่านด่านแรกเมื่อเราเดินทางเหมือนกับเราขึ้นเขาหรือขึ้นที่สูงจิตของเรามันต่าถูกทับถมมาเยอะเราจะขึ้นที่สูงสักหน่อยก็ต้องทวนต้องทวนต้องสู้ต้องมีแรงแห่งความเพียร มีความเพียรมีการประกอบต้องทวนขึ้นไปสักหน่อยไม่ทวนมันไม่ใช่การทวนกระแสมันทําให้เกิดความเข้มแข็งไม่ใช่ค่อยไหลไปไหลไปถ้าไปมันน้ำถ้าปลามันไหลไปตามน้ามําไม่เจริญหรอกถูกดางถูกอวนถูกแหถูกสอนถูกใส่เขาไหลไปข้างบนถ้าเป็นความคิดก็คิดทวน มนุษย์คิดไปทางสูงมนุษย์นคนคิดไปทางต่ำๆคนก็ดีมนุษย์ก็ดีเกิดจากความคิดไม่ใช่เกิดจากรูปแบบขาสองแขนสองหัวตั้งอยู่บนบ่าไม่ใช่เอาบอกว่ามนุษย์เนี่ยต้องคิดไปทางสูงๆแต่คนก็คิดทางต่ำๆแล้วมันก็มีโอกาสต่ำ เราจะเปรียบกิจของเราเนี่ยเหมือนน้ำไหลาจากที่สูงลงตู่ที่ต่ำก็ไหลเอียงไปลาดไปได้ง่ายเราจึงมาทวนมาดูยกขึ้นมีสติเนี่ยมันยกขึ้นหน่อยมันไม่ไปไง่ายง่ายนะเห็นกายก็ดีเวทนาก็ดีกิจก็ดีทาก็ดีทํานมีร้ายอย่างเป็นอกุศลก็อม ความง่วงเมาเหาวนอนอความรังเลสงสัยความคิดพุ่งสานเป็นธรรมนะนังธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นกุศลก็รู้สึกตัวมีสติมีปัญญามีศีลไม่หวั่นไหวเพราะความคิดของตอนเองความคิดของตอนเองทําให้ตนเองหวั่นไหวผู้มีศีลไม่หวั่นไหวเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบไม่สะเทือน เพราะลมเพราะอะไรต่างๆเพราะฝนผู้มีศีลไม่สะเทือนเพราะความเนนเธสนรเสริญหรือความคิดความง่วงเหงาหานอนไม่วันไหวเข้มแข็งอยู่บนมันความง่วงเข้มแข็งอยู่ความลังเลสงสัยเข้มแข็งอยู่ความคิดฟุ้งซ่านคิดฟุ้งซ่านมันพัดพาเราไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตคิดไปไลไป มันเป็นภูเขานะความงงเอาเหออนอนความปรังเลสงสัยความคิดพุ่งสั่นเป็นภูเขาขวางกัน้นไม่ให้เราบรรลุคุณงามความดีถ้าเราไม่ข้ามตรงไหนนะเราจะขึ้นได้ยังขึ้นสูงได้ยังไงจะเก่งตรงไห น, นมันเป็นเกณฑ์แบบนี้แถ้าโลหัดมันก็ไม่ต้องมีแล้วความปรังเลสงสัยมันไม่มีชัดเจนไปเลยแม่นยำไปเลย บุญคืออะไรบุญก็คือใจดีใจงามบุญคื อ, อ, อรู้น่รู้เลยรู้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจแต่คนไม่รู้ไม่รู้แม้กระทั่งความคิดตัวเองอยู่กับความคิดข้ามปีข้ามเดือนกลาคืนก็ว่าดวกลางวันก็ว่าคิดหมกมุ่นอยู่กับความคิดตัวเองวันนี้เรามาเห็นรู้แล้ววันนี้บุญแล้ววันนี้รู้ตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับกายกับใจเป็นปัญญา แต่ก่อนเรื่องของกายของใจไปนองโง่หลงงมงายก็แม่เจ็บไข้ได้ป่วยงูพราะเก็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยทําให้ง่หลงความเคยขินเสพติดต่างๆทํำไมโง่หลงงมงายบัดนี้ไม่โง่แล้วแต่ก่อนเคยสูบบุหรี่บัดนี้ไม่สูบแล้วแต่ก่อนเคยดื่มเหล้าบัดนี้ไม่ดื่มแล้วแต่ก่อนเคยโกรธบัดนี้ไม่โกรธแล้วแต่ก่อนเคยทุกข์บัดนี้ไม่ทุกข์แล้วมันต้องมีเกณฑ์แบบนี้การปฏิบัติธรรม ไม่ใช่จะเออปฏิบัติแล้วล่ะยกมือสร้างเกี่วกัเป็นแล้วล่ะเดินจงกรมเป็นแล้วละไปอยู่แล้วละวัดป่าสุโกโตอย่างอย่างเหมือนกับภิกษุณีที่แบบบวชแล้วสําเร็จแล้วล่ะไม่ใช่ความเป็นพระมันคืออะไรนี่ความเป็นพระคือประเสริฐ ต, ตรงไห้พวกเรากำลังกันบวชเป็นพระแล้วหลวงพ่อเป็นอุปชาไม่ใช่ น, นั่นมันเป็นสมมุติบัญญัติไม่ใช่เป็นปรมา จ, จักรปรมา จ, จักรพระสงฆ์เกิดจากพระสัทธธรรมนะมีการปฏิบัติ ด, ดีเป็นต้นไม่ใช่พระสงฆ์เกิดจากอุปชาบวชในโบทเปโภคทธรรมบาดเท่านั้นรูปเท่านในรูปไม่ใช่อันนั้นเป็นสมมุติบัญญัติมันจริงแบบสมมุติไม่จริงแบบปรมัตร พระสงฆ์เกิดจากพระสัทธธรรมมีการปฏิบัติดีเป็นต้นหลังที่เราสวดศัทธธรรมโชสุปฏิปปิปนาโคยุโตพระสงฆ์เกิดจากการปฏิบัติธรรมมีการปฏิบัติดีเป็นต้นนั่นปฏิบัติตรงไหนนี้แล้วกําลังทําอยู่ในี่และแล้วก็รูปแบบของเราก็ช่วยสนับสนุนนะมีธรรมวินยัยมีธรรมวินยัยสนับสนุนไปเลยแบบนะั้นไม่คิด ไม่ทำไม่พูดในสิ่งที่เคยคินเคยอยู่ในแบบไหนก็เปลี่ยนแล้ววะเนะี้เปลี่ยนแล้ววะนะอยู่ในกระต่อมกติอยู่คนเดียวอยู่ในที่มีอะไรน้อยๆสันดดนะโดยเฉพาะพวกเราอยู่ในป่าก็ให้มีของอยู่ของกินจะเป็นนมกล่องก็พอได้ แต่ถ้าเป็นอาหารดนดินไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าหนูมันรู้นะมันรู้เอาไว้ดีขนาดไหนมันก็รู้เหมือนหลวงพ่อไป ว, วันเมื่อสองวันเนี่ยไปพักที่นอนพักที่กติจารกำพลเสียงอะไรดังตลอดอดสังเกตดูเออหนู มันเข้าไปต้องหลายตัวว่าวิ่งสวนฉันกันอยู่เออมันมาอย่างไงเนี่ยสังเกต ด, ดูพอมันวิ่งไปวิ่งมาก็สายไปตามไปมันมีถุงข้าวสาร ม, มีถุงข้าวสารแล้วหน้าต่างปิดไม่สนิทมุ่งรวดภาษาอะไรมุ่ลวดหนูกัด โลโบไปเลยอะไรไปมันก็วิ่งออกมันออกตรงไหนออกตรงไหนโอ้ oh, มันออกตรงนี้แต่มันออกตรงนี้ได้โอ้ oh, หน้าต่างไม่ปิดมันมีหน้าต่างไม่ปิดมันมีเข้าสารมันมีหนูบางทีมันมาทํารังระวังน้ำวันไหนงูมาเนี่ยวันไหเมื่อมันได้อยู่ได้จินมันมาทํารังออกลูกงูมาแล้ววันนั้นแตเราไม่รู้งูกัดเรานะเพราะฉนั้นถ้ามีอาหารแหน่ หนูมางูมาคนอยู่ด้วยกันกับงูไม่ถูกต้องไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมมุติบัญญัติโอไม่เป็นปรมตา จ, จักรคนอยู่กับงูไม่ได้คนอยู่กับหนูก็ไม่ได้คนต้องอยู่ดูแลให้ดีๆมีสติสมชัญญะมีสติมันสนับสนุนให้เกิดสุขภาพกายสุขภาพจิตด้วยไม่สิ้นเปลืองการใช้ชีวิตไม่กังวล อฉันมันนั่งอันเดียวนั่งที่เดียวตอนไม่นั่งอาสนะศาลาหน้าลราไม่ต้องฉันไต่ ว, ว่าฉันอยู่ที่เดียวของเขี่ยวของฉันฉันที่เดียวถ้าแต่ฉันก็ต้องนั่งตรงนั้นนั่งตรงนั้นเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นรีบล้นหรือการงานต่างๆที่ ดวดดวดเดินทางไกลไปทางเรืออยู่มากด้วยการบินธบัตไม่พอชั้นโภชนะเป็นของสมณะก็ไม่ใช่อุปท า, านยึดมัน่นถือมัน่นอยู่กรุงเทพหิวข้าวอยู่กรุงเทพจะต้องนั่งรถวิ่งมานั่งอาสนะตรงนี้มันก็ไม่ใช่หรือเวลาการจีวรเวลาทำจีวรงานการยากหลวงพ่อไปอยู่สวนโมกสมัยปี514 อาจารย์พธธุทธทาสอยากเจาะภูเขาทองให้เป็นอุโมงค์ผ่านไปทางทิศเหนือผ่านไปทางทิศใตใ้ทำอุโมงค์ก็ชวนกันกันกบอาจารย์บัญญัติไปไปเจาะภูเขาก้อนหินภูเขาทองตรงนั้นมันไม่ใช่เป็นแท่นใหญ่ๆมันเป็นก้อนเป็นก้อนใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ไปงัดไปขุดเอาแฉลงเอา ล่อเอาล่อมากล้ล่อลถไปไปสั่งล่อลดไปใส่คันลดสี่ล่อมาต่ำๆมาเอาลางมาวางสำหรับทุกคนเห็นออกจากถ้ำแล้วก็ค่อยงาดไปเทลงเขานอนอยู่ตรงนั้นทำงานอยู่ตรงนั้นตื่นเวลาใดทางานแล้วนันเหนื่อยเวลาใดพักเวลานั้นโ อ, อ้โตอนเช้าก็มีแม้คีเอาเข้าวไปส่งหาข้าวไปส่งตอน เที่ยงก็ไม่แม่ขีหาบข้าวไปส่งตอนเย็นก็หาบตามป้านะไปส่งเออก็ทํางานอยู่ทางนั้นเว е ลาทํางานเว е ลาทําจีวรการจีวรงานมันมากงา น, น, นได้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นนี่การที่อยู่ของเราสนับสนุนให้เกิดสติสมชัญญะให้เกิดสติสมชัญญะอย่าเป็นปริพเทศของบนญาติปริพเทศก็ไม่ดีนะ ผลิตภั์กับญาติเด้ยยังมีลูกเมียยังมีงานเดิงานมันมีอยู่หรอกแต่ว่าไม่ใช่เรื่องคิดบางทีงานมันทําเสร็จแล้วเอามาคิดมันไม่ใช่เรียกว่างานปริโภั์มันจะต้องทําไม่ใช่มาคิดเรื่องทำงานไม่เอาคำตอบจากความคิดบางอย่างเราใช้ความคิดเอาความคิดตอบแต่เพฤ่อเพื่อไม่ถูกต้องเสมอไปมันต้องมีการกระทํา มันต้องในการกระทำไม่ใช่มานอนคิดเรื่องงานเรื่องการไม่ใช่นอนคิดเรื่องรักเรื่องกโกรธไม่ใช่คิดถึงขอ้อถึงแม่ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงบุตรพัรยาสามีห่วงงานห่วงการไม่ใช่เรื่องคิดนะถ้าห่วงจริงๆก็ต้องไปทำแต่รักพ่อรักแม่ก็ไม่ใช่คิดถึงอะไรอวบต้องทาตัวให้มันดี ไม่ใช่ไปคิดจนนอนไม่หลับนั้นไม่ใช่ความรักความรักก็ต้องคือทำตัวให้มันดีให้มีความปกตินอนให้มันหลับกินให้มันอิม่มจัดให้มันเป็นระเบียบอย่าทำชั่วอย่าเป็นคนเจเลเจกะใจลอยใจลอยใจเสียไม่ใช่ห่วงอะไรไม่ใช่แบบรักตัวเราเนี่ยแหละทำตัวเราให้มันดีให้ตัวเราเป็นคนดีนี่คือความรัก แต่เรายังเป็นคนดีไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ความลักเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเป็นคนดีแล้วนะนะถ้าเราเป็นลูกของพ่อของแม่เป็นคนดีแล้วมันก็สุดยอดแล้วสุดปรารถนาของพ่อของแม่แล้วถ้าเราเป็นภรรยาของสามีเราเป็นคนดีมีศีลมีธรรมแล้วก็สุดของสีภรรยาถ้าเราเป็นสามีเราเป็นคนดีของสามเราเป็นคนดีของภรรยาก็สุด ความเป็นสามีแล้ว เ, เป็นพี่เป็นน้องก็เหมือนกันเป็นเพื่อนก็เหมือนกันคือแท้คือตัวปฏิบัติธรรมเลยสลูปเลยทีเดียวเลยเป็นคนดีไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นนี่คือความรักพระพุทธเจ้าเป็นยอดนักลักที่สุดในโลกไม่ใช่แบบหนังอะไรต่างๆไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นยอดนักลักที่สุดนะไม่ พุ่งซ่านไม่ปาลิพดเรื่องใดลู่สึกตัวจะทำอะไรก็ตั้งใจไม่ใช่ไปคิดหาคําตอบจากความคิดบางอย่างความคิดมันทําไม่สําเร็จต้องลงมือทําเห็นเราปฏิบัติทำคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เสียเวลาอย่าไปคิดแบบนั้นประกอบทันทีลู่สึกตัวลู่สึกตัวตั้งโต้นตรงนี้ลู่สึกตัว เมื่อลูกเสดตัวก็ไปแล้วงานเกิดขึ้นแล้วมรรคเกิดขึ้นแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาตัวปฏิบัติทำกรรมฐานมันเป็นเรื่องบุกเบิกกรรมคือการกระทําผลมันจึงจะไม่บุกเบิกไปก่อนลู่ไ้ก่อนลู่ไ้ก่อนลู่ไ้ก่อนอเพิงไปหาเหตุหาผลจากการกระทําการกรรมฐานหาเหตุหาผลอะไรมือเราก็มีกายเราก็ ม, มายกมือสร้างจงังหวะหมาเดินจงกรม หาเหตุหาผลตรงไหนไม่ใช่เอากรร ม, รรมเป็นกรรมแนกสัตว์นะไม่ใช่เรื่องเหตุเรื่องผลมันเป็นตัวกรรมแล้วยกมือสร้างจะว่าโอ้มันก็รู้แล้วความรู้สึกตัวอยู่ที่กายเวลาใดที่มันหลงคิดไปมีความรู้สึกตัวนั่นแหละกรรมแล้วรู้สึกตัวรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็ควบคุมไว้รู้ทุกเรื่องที่สิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจ ม, มันก็กลับมาได้มันก็รู้ได้จริงๆเห็นได้จริงๆปฏิบัติได้จริงๆให้ผลได้จริงๆความรู้สึกตัวเวลาใดมันหลงรู้สึกตัวความหลงก็ไม่หลงหมดไปแล้วความรู้สึกตัวไปแทนความหลงไม่ให้ความทุกข์ก็เหมือนกันความโกรธก็เหมือนกันเรามาสร้างตัวนี้ก่อนไม่ใช่ไปห้ามไม่ให้มันทุกข์ไม่ใช่ไปห้ามไม่ให้มันโกรธ ไม่ใช่ไปห้ามให้มันหลงทำไมจึงจะไม่หลงทำไมจึงจะไม่โกรธทำไมจึงจะไม่ทุกข์ทำวิธีใดจึงจะไม่ทุกข์ทำจังเก่งไม่มีคำถามหรอกคำถามแบบนี้ไม่ต้องสำหรับชาวพุทธหรอกอ่าเมื่อการกระทำไหนะหรือเวลาเราปฏิบัติคำว่าทำไมทำไมก็ไม่มี่ทำไมเราจึงทำไมได้ทำไมคนนั้นจึงทำได้ไม่ม เออเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวนะผมรู้สึกตัวนะตัดภาษาที่ใช่ที่ฟุ่มเฟื่อยฟุ่มเฟ่อยฟุ่มเ ฟ, อ ฟ, มเฟือยออกได้เยอะแย ะ, ยะ อ, อ่รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปทำไมเราจึงหลงยอมพระพุทธเจ้าตัดฉลุเนี่ยอริยสัจสี่เนี่ ย, ยทุกสมุทัยในโลดมักสี่อย่างสี่อย่างนี่รวมหลงมีสองอย่างคือเหตุกับผลเจ้ที่เหตุ เอาไปมาอันเดียววันนี้เํธมาเหตุปปาวาเตสังเหตุตุถะคขโตทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดแต่เหตุดับก็บดับที่เหตุพระอศัศกิแสดงให้ภาษาเรบุตรฟังบรรลุธรรมเลยบรรลุธรรมเลยอเลสสั่ายง่ายๆเป็นเกณฑ์เอามาลงตรงนี้ได้เราใช้ชีวิตที่เป็น ก็เราว่าคลองเรืองเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นําเป็นผู้ตามก็ตามอะไรก็ตามมามีหลักตรงนี้แหละหลักอริยสัจสีเนี่ยเอาไว้ใช้กับชีวิตของเราอย่างถูกต้องมันมีเหตุมีผลถ้าทุกข์ก็ไหนอะไรเป็นเหตุความหลงสมุทัยทุกข์สมุ ท, ทัทยในโลดมักสมุทัยเป็นเหตุจึงมีทุกข์แตแก้ก็ต้องแก้สมุทยัย สมมุทยคืออะไรคือมันหลงอย่างเราที่สร้างสติเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะทำไมมันจึงหลงเพราะไม่รู้เมื่อรู้สึกตัวมันก็ไม่หลงโอ้มันก็มีเท่าเนี่ยแหละเมื่อไม่หลงก็ไม่ทุกเมื่อไม่หลงก็ไม่โกรธเมื่อไม่หลงก็ไม่โลภเมื่อไม่หลก็หลงทันทีทันทีทันทีเลยแม้มันจะหลงก็แช่ได้รู้สึกตัวแม้มันจะโกรธก็รู้สึกตัว แต่แทบก็มีความรู้สึกตัวเนี่ยให้มันมากเหมือนแสงสว่างความรู้สึกตัวเมือ่อถ้ามันมากมันก็รู้แจ้งโลกเหมือนดวงอาทิตย์ความรู้สึกตัวเมื่อมันน้อยก็เหมือนแสงดีโอนเมื่อรู้สึกตัวถ้ามันน้อยลงไปก็แสงเทียนลิบปลีหิ่งห้อยวับวบแหวมแวมมันไม่พอใช้เราจึงมาสร้างให้มันเป็นมหาสติมหาสติคือมันมาก แล้วก็มากได้จริงๆเรายกมือสร้างจังหวะสิบสี่จังหวะจังหวะหนึ่งวินาทีหนึ่งไม่เกินหรือไม่ช้าก็านั้นถ้าลู่ทุกวินาทีไม่ต้องมาลู่ทุกวินาทีลู่ไปต่อเรื่องเหมือนสายโซ่หวนโซ่ไม่ต้องไปกําหนดหรอกบางทีหลวงพ่อพูดว่าวินาทีหนึ่งลู่ทีหนึงเอา้าก็ไปตรงนั้นดอก็ไปยึดมันตรงนั้นดอ แต่วิธีสร้างแกว่ามันเป็นแช่นั้นมันจับเอาจับเอาจับเอาจับเอามีเงินก็เจ็บเอาใส่กระเป๋าเก็บเอาใส่กระเป๋ามันก็ได้จริงๆทันทีแล้วมันก็ขยันจริงๆตรงนี้ขยันไม่มีความขยันอันใดที่ขยันเห็นชีวิตของเราเปลี่ยนชีวิตของเราได้เปลี่ยนหลงเป็นลูกเยโอมันสุดหัวใจ ได้เปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธมันสุดหอยใจได้เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์มันสุดหัวใจต้องทำงานอันนี้ลองดูพวกเราอย่าไปเปลี่ยนแลนดื่นเก่งอย่างอื่นเกินไปไปเก่งอย่างอื่นแต่ไม่เก่งตรงนี้มันก็ไปไม่หลอดนะต้องเปลี่ยนตรงนี้ต้องเก่งตรงนี้ไว้ก่อนเป็นทุนก่อนมันหลงรู้ขึ้นมามันทุกข์รู้ขึ้นมามันโกรธรู้ขึ้นมา อะไรก็ตามแก้ตัวเองมองตัวเองเป็นบัณฑิตนะเนี่ยทําอย่างนี้มันเป็นบัณฑิตนะพวกเราจึงมีงานการแบบนั้นถ้าเราเก่งตรงนี้เราก็เก่งอีกร้ายอย่างนะแล้วก็เหมาะแก่การงานเหมาะแก่เป็นประกอบการงานอาชีพต่างๆได้แล้วก็ถ้าจําเป็นต้องมีงานไม่การ แต่ไม่จาเป็นก็ม า, ามาช่วยกันเถอะมาช่วยกันบอกมาช่วยกันขนส่งมันมีงานเยอะเดี๋ยวนียพวกเราปัญหาของผู้ของคนปัญหาของโลกมันเกิดขึ้นแล้วไม่มีใครทาธรรมชาติเสียงแวดล้อมมันก็หมดไปแล้วแต่ก่อนสามสิบปีก่อนไม่เคยได้ยินดอกเสียงแวดล้อมสามสิบปีก่อนนะไม่มีใครพูดดอกแมแต่ เรื่องยาเสพติดก็ไม่ได้พูดอะไรแต่นี่มันมีปัญหาบานปลายไปสิ่งแวดลก ม, มันก็เป็นปัญหาเราถึงมีกรรมาธิการต้องสร้างกฎหมายขึ้นมาใหม่รัฐ ธ, ธรรมนูญขึ้นใหม่เพราะอะไรมันสิ่งแวด ล, ล้อมเนี่ยเป็นพี้ยไปสิ่งแวดลกอมมันใหญ่หลวงต่อไปนี่ต่อไปจะออกไปไหนไม่ได้แล้วโลกนะต้องอยู่ที่เดียวแล้ว ร่อนร่อนเขาก็เที่ยงระเบิดแล้วโก่อโจนโก่อเวนา่ากิจกรรมใช้เครื่องบินก็อมีปัญหาใช้รถไปก็มีปัญหาไปไหนก็ไปไม่ได้ต้องอยู่กับที่กับทางแล้วพวกเราสุขศรีโตก็ไม่มีที่ปลูกข้าวหรอกปลูกป่าหมดแล้วมีแต่ที่ปลูกผักต้องช่วยตัวเองต้องสรุปให้ได้ชีวิตของเราพึ่งไม่พึ่งอะไรไม่ได้ก็พึ่งกายพึ่งจิตใจของเรา อย่าให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บเพราะเราใช้ชีวิตผิดพลาดไปสูบบุหรี่ไปกินเหล้าไปเกเรสิ้นเปลืองพลังงานกลางคืนเป็นเห็นกลางเวนเป็นนกเข้าบอท่านว่าสิ้นเปลืองนะไปคิดอะไรมากมายความสิ้นเปลืองเกี่ยวความคิดการสิ้นเปลืองเกี่ยวความหลงการสิ้นเปลืองเกี่ยวความโกรธการสิ้นเปลืองเกี่ยวความทุกข์มันเอาชีวิตเราไป นานเท่าไหร่เราไม่รักชีวิตเราจะเป็นรักอะไรต้องเป็นชีวิตชีวิตต้องไม่เป็นอะไรปกติบ้านของชีวิตคือปกติปกติที่แน่นอนที่สุดคื อ, คอคจิตใจส่วนร่างกายก็ไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่ยึดไว้ก่อนคือจิตใจต้องปกติอนะ๋ถ้าจิตใจปกติลุยได้เลยโลกเนี่ยไปเลย ถ้าจิตใจไม่ปกติเหมือนมีแผลคอยเจ็บปวดถึงกิจถึงใจก่อนอะไรก็เข้าถึงกิจก่อนอะไรก็เข้าถึงกิจก่อนมันไม่ใช่แล้วไม่มีคุณภาพชีวิตแบบนั้นนะมาฝึกแบบนี้มาฝึกแบบนี้จำเป็นไหมจำเป็นไหมจำเป็นถ้าไม่ปกติเราก็มีปัญหาบานปลายทะเลวิ ว, วาดเกิดโรคใคยไข้เจ็บ อะไรต่างๆเกิดโจรกควินาสเนี่นะคิดคนเดียวสองคนขับเครื่องบินชนตึกเซนเตอร์พังคนตายเป็นหมื่นๆอ่าความคิดของคนไม่มีผลกระทบกับพวกเราบ้างคนหนึ่งตัดต้นไม้เราไม่ได้ตัดต้นไม้สักตน้นเราก็ลำบากล้วเนี่ยเราจะไปแก้ท้งไหนแก้ทุกคนทุกคนมาดูแลตัวเองมาเจริญสติ คนในโลกห้าพันกว่าล้านคนห้าหมื่นอะไรไม่รู้ทุกคนมาดูแลตัวเองอย่าไปเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์เอาชีวิตเราลู้สึกตัวลู้สึกตัวเข้าไปไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่เนกาไม่ใช่ชาติไม่ใช่เพศวามรู้สึกตัวหน่ยเป็นไม่ใช่เพศเด็ดขาดนี่สากลแห่งธรรมสุดยอดที่สุดนะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ เราจึงมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมไม่มาปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ไปขู่ไปด่าเลยเอาก็ก็เป็นของเขามาปฏิบัติธรรมก็เป็นส่วนรวมการกระทาของเรามีสติมันเป็นส่วนรวมเป็นสุขส่วนรวมถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็เป็นทุกข์ส่วนรวมเราคนเดียวเป็นสุขส่วนรวมก็ได้เราคนเดียวเป็นทุกข์ส่วนรวมก็ได้ เราจะใช้ชีวิตแบบไหนที่เราเกิดมาน่พบพระพุทธศาสนา